เมื่อสักครู่สวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณไปลองเปิดไปดูเนาะแลวสวดอ้าลองดูที่เราสวดมนต์ทำวัดเย็นนี่ยนะอยากรู้หน่อยว่าเออเราเข้าใจความหมายบ้างไหมอะไรเนี่ยเออพานั่งเก้าอีก้กันก็ได้นะเมื่อกี้ท<ๆ>่านอาจารย์มหาอํานาจพาสวดมนต์นมาก็เดินฟังอยู่ข้างล่างคาียบบทเดินฟังเดินเออในบทสวด คุณของพระพุทธเจ้าเอาเริ่มคําว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันเนาะเป็นพระอรหันพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลแสนไกลจากกิเลสพระพุทธเจ้าเนี่ทรงกําจัดฆ่าศึกคือราคาโทสะโมหะให้หมดสิ้นจากกมลละสันดานแล้วก็ทรงหักซี่กรรมแห่งสังสาราจ ก, ก็แปลว่าพระพุทธเจ้านั้นเน่ะไม่ต้องทํา กุศลกรรมอกุศลกรรมใดๆที่จะเป็นเหตุถึงการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตอีกแล้วพระพุทธเจ้านั้นทรงกำจัดค่าศึกคือกิเลสทั้งหลายมีราคาโทสะโมหะเป็นต้นและอย่างหนึ่งก็คือว่าพระพุทธเจ้าควรแก่เครื่องส ก, การะก็คือบูชาอันวิเศษอันวิเศษเลยนะ แล้วให้สังเกตดูว่าผู้ควรบัญญัติสิกขาบทแก่ภาษาวกและแสดงธรรมแก่สัตว์โลกผู้ควรแก่ลาบยศสรรเสริญผู้ไม่มีที่รับในการทำบาปเดียกยมเรายังมีที่รับในการทำบาปไหมมีไม่มีเขาบอกว่าคนเราจะทำบาปเนี่ยมันมีสองสามลักษณะเนี่ยหนึ่งได้ขนาได้ขณะ 2ได้ที่รับสแล้วก็ได้โอกาสอาพวกเราได้ขณะไหมมีขณะที่จะทำบาปไหมเช่นได้ขณะที่ทำให้ความโลภมันได้ขณะเกิดขึ้นปล่อยให้โทสะมันได้ขณะในการที่มันเกิดขึ้นปล่อยให้โมหะมันได้ขณะในการที่จะเกิดขึ้น เอาคนเราเวลามีความโลภมีความกำหนัดมีความยินดีที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รีบจัดการความกำหนัดความยินดีทิ้งไปเสียไอ้ความกำหนัดหรือความโลภมันจะไปหาอะไรต่อมันจะไปหาที่รับเออขอภัยมันจะไปหาโอกาสใช่ไหมล่ะพอไปหาโอกาสเบีดเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มหาที่รับในการทําบาปเคยเป็นไหมเคยไม่เคย เห็นไหมเพราะปล่อยให้ขนาดความโลภมันได้จังหวะในการเข้าสู่กระแสของความควา ม, ความคิดเดี๋ยวหนักเข้าเนี่ความโลภมันมากขึ้นมากขึ้นความกําหนัดยินดีเพลิดเพลิ น, นมันมากขึ้นเดี๋ยวก็หาวหาอะไรหาโอกาสพอได้โอกาสไปเสร็จก็ได้ที่รับแล้วโอ้มนุษย์นี่ยเรายังมีที่รับในการทาบาปไหมเนี่ยมีเนาะ แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นผู้ประเสริฐตรงที่พระองค์ไม่มีที่รับในการทำบาปเป็นต้นนะตรงนี้รายละเอียดต่างๆอยากจะขับเน้นให้เราได้เข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านะั้นมีถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านะั้นเนี่ยเป็นผู้ที่เราสวดมนต์ว่าสัมมาสัมพุทธโธเนี่ยก็แปลว่าอะไรนะสัมมาสัมพุทธโธเนี่ย แใจว่าอะไรโยกสวดกันไปโยกโยกเนี่ยสัมมาสัมพุโทโธแปลว่าเออตัศรุชอบได้โดยพระ อ, องค์เองผู้ตัศรุทำด้วยพระ อ, องค์เองผู้ตัสรุทำที่ควรรู้ยิ่งก็ไล่ไปตามลำดับคือพระเจ้าเนี่ยตัสรูุ้สัจจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคได้ด้วยตนเองแล้วก็ทรงประกาศให้บุคคลอื่นให้รู้ด้วย ตรงนี้ส่วนคําว่าวิชาจารณาสามปัญโนในรายละเอียดนะจับประเด็นเล็กน้อยเนี่ยแปลว่าอะไรถึงพร้อมได้วิชาและจารณาวิชานั้นก็คือวิปัสสนาญาณพระเจ้าถึงพร้อมด้วยวิปัสสนาญาณเลยคือปัญญาที่สามารถไปแทงตลอดความจรงิงทั้งสประการคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นใดด้วย ยังเรามีวิปัสสนาญาณอันนี้รู้ความจริงของกระแสชีวิตหรืออย่างว่ากระแสชีวิตคือตาอหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยมันไม่เที่ยงรู้ไหมเราโดยส่วนใหญ่เราโดยส่วนใหญ่เราไม่ได้รู้ด้วยญาณปัญญาหรอกแต่รู้แบบจำจำใช่ไหมเราเราจึงปล่อยเราจึงละ า, ายอะไรไม่ได้ทั้งทั้งที่เราเห็นกระแสชีวิตเนี่ยมันไม่เที่ยง แลวมันก็แตกดับตลอดเวลาตลอดเวลาเนี่ยแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยได้ไประโยชน์จากอันนี้จังเลยทั้งๆ ท, ที่เราก็รู้ว่ากระแสะชีวิตเนี่ยมันถูกบีบคั้นมันเบียดเบียนมันบีบคั้นตลอดเวลานะด้วยความเกิดด้วยความดับตลอดมันมีความอึดอัดขัดข้องอยู่ตลอดเวลาน่แหละเนี่ยทุกเนะี่ยมันรายงานอยู่ตลอดเวลาเช่นนั่งอยู่ น, น, นานๆนักเข้าเขาอึดอัด ขับค้องหรือเขต้องเปลี่ยนต้องอะไรสารพัดเนี่ยแต่เราเคยได้ประโยชน์จากการที่เราเห็นความทุกข์แล้วก็รีบระดมความเพียรเพื่อทำศรัทธาเป็นต้นให้เกิดขึ้นหรือไม่อันเนี้ยสังเกตดูไหมว่าเรามักจะไม่ค่อยได้ยานปัญญาที่เกิดขึ้นเองอันนี้ในรายละเอียดก็คือว่าพระพุทธเจ้าก็มีวิปัสสนาญาณอย่างนี้แทงตลอดความจริงให้สังเกตดูนะว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงเพียบพร้อมนะทรงถึงพร้อมด้วย มนโนมยิทธิยานเป็นต้นด้วยคือพระเจ้าเนี่ยสามารถที่จะมีฤทธ์นะแสดงฤทธิ์ได้อิทธิวิทยานก็ได้มีทิพจักขูก็มีพระเจ้ามีตาทิพนะสามารถมองอย่างปกติเนี่ยอย่างเราเนี่ยตาของเรามองไกลที่สุดเนี่ยตาเนื้อนี่นะมองได้กี่กิโลถึงกิโลไหม เชื่อไหมพุทธเจ้ามองด้วยตาเนื้อธรรมดาไม่ต้องใช้ลิตรอะไรเลยนสิบหกกิโลเมตรถามว่านี่นี่พูดผลแต่เหตุทำอะไรมาจึงได้อย่างนี้โอ้คนที่เคยสละตาเป็นทานมานับไม่ได้คือให้แสงสว่างมาก็นับไม่ได้ใช่ไหม ให้ปัจจัยที่เกี่ยวกับการที่จะมีตาที่มีงดงามแล้วก็สามารถมองไกลมานับไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้านั้นมีความบริบูรณ์ในทางด้านของจักรคุปสาตาทสูงมากไม่ต้องพูดถึงตาคือปัญญาทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงมีอกที่ผสะตายานมีหูทิพด้วยเออมีมีภาพภิกษุน์ในศาสนาของพระชินเจ้านี่นะท่านมีตาทิพแต่ท่านไม่มีหูทิพ คือท่านเห็นกลุ่มเทวดาได้แต่ท่านไม่สามารถได้ยินเสียงแกก็ไปขอเรียนขอให้พระเจ้าเนี่ยสอนเรื่องการได้ยินเสียงพวงเถอเพราะมันเห็นแต่ภาพแต่มันไม่ได้ยินเสียงยกตัวอย่างเช่นเห็นเทวดาได้เงี้ยเห็นกลุ่มอมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในพบภูมิที่ลี้ลับได้เนี่ยแต่ท่านไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมอยากจะได้ยินเสียงก็ไปขอเรียนพระเจ้าไม่เห็นอัธยาศัยเพราท่านไม่ได้สั่งสมอัธยาศัยมาก็ไม่บอกวิธีการคือบอกได้ก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะบอกทําไม เนี่ยเป็นเหตุหนะกเข้านัาเข้าก็เลยเป็นสําคัญว่าพระพุทธเจ้าคงไม่มีมั้งยานปัญญาระดับเนี้ยก็เลยเป็นเหตุแห่งการที่ตําหนิพระพุทธเจ้าก็ให้ก็เสียหายเลย อ, อย่างนี้เป็นตนน้นนะนะที่จริงทรงถ้ทละมองในชั้นของคําสอนพระพุทธเจ้าก็มีเจโตปริย า, ยานด้วยรู้วาราจิตของบุคคลอื่นมีปุเพนิวาสานุสติยานพระยานที่เป็นใบกสติที่ตามเลิกชาติทุนหลังได้แล้วก็รู้จุดติ รู้การเกิดการตายของสตัตว์ทั้งหลายด้วยแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดพระเจ้ามีอะไรรู้ไหมอาสวะขย า, ยานคือยานปัญญาที่สามารถไปละราคาโทสะโมหะได้อย่างหมดสิ้นในกระแสะของชีวิตซึ่งตัวเนี้ยปัญญาตรงเนี้ยต้องเกิดขึ้นจากการสั่งสมข้อมูลเป็นอย่างดีตรงนี้ก็คือวิชาของพระเจ้าถ้าพูดถึงจรณะของพระเจ้าก็เกี่ยวกัอในเรื่องของความเป็นผู้มีศีล ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยอินทรีย์สังวรถึงพร้อมด้วยโภชเนมตัญยุตา่ารละจักประมาณในการกินแล้วก็ชาคริยานิโยคประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นถามหน่อยเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบความเพียรด้เครื่องเป็นเครื่องตื่นไหมกลางวันเรานอนไหมนอนไม่นอนพระธเจ้าจะไม่นอนกลางวันกลางคืนก็แบ่งเวลาเป็นสามช่วง จากว่าถมยามหกโมงเย็นเจเยินถึงสี่ทุ่มพระพุทธเจ้าก็ตั้งความเพียรอยู่ในยาบทสาบเว้นนอนนะแต่พอสี่ทุ่มถึงตีสองีพระพุทธเจ้าก็จะพักผ่อนยาบทด้วยการนอนแบบสีหาสายญาติโดยการตะแคงด้านขวาแต่มีสติสัมปชัญญะในอันที่กำหนดหมายว่าจะาลุกขึ้น หรือพระ อ, องค์อาจจะอยู่ในสมาบัติอะไรก็แล้วแต่นี่คือผ่อนคลายาียบทจะไม่ใส่สี่ชั่วโมงแต่พอตีสองไปถึงอารุณขึ้นเนี่ยพระพุทธญาก็ลุกขึ้นไหวทำควานเพียนแล้วก็ตรวจดูเวเนยสัตว์ในการที่จะโปรดใครดีเป็นต้อนอะไรอย่างเราล่ะเรานอนกี่ทุ่มตื่นกี่ทุ่ม <c oughs> ตื่นกี่โมง นี่งไงเราเราไม่มีชาคริยานุโยกใช่ไหมล่ะแล้วเราถูกสอนกันนะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องนอนให้ได้แปดชั่วโมงใช่ไหมล่ะเราถูกสอนอย่างนี้ไหมต้องนอนให้ได้แปดชั่วโมงใครนอนแปดชั่วโมงบางวันนี้เกิดมามีอายุ ก, กับเขาสักหกสิบปีลองคิดการนอนเราจะนอนกี่มันโอ้โหบาคนเกิดมานอนมากจริงแนะ่นอนมากมัน วันหนึ่งนอนกี่ชั่วโมงชั่วโมงสี่เลยโอ้นอนน้อ ย, น อ, ยนอกนั้นตื่นขึ้นทำความเพียรหรือตื่นขึ้นมาฟุ้งซ่านปากเราไม่ได้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นแล้วไม่ได้มาเจริญกุศลเนาะพรเจ้าเนถึงพร้อมได้ศรัทธาพรเจ้ามีศรัทธาเชื่อมั่นเชื่อมั่นอะไรรู้ไหมเชื่อมั่นในพระสัพพยุตยานเนย เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในสาวกเชื่อมั่นด้วยในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นบนมนุษย์เนี่ยถ้าหากว่าจะตั้งอัธยาศัยกันจริงๆเนี่ยฝึกตนเองสามารถบรรลุได้พระพุทธเจ้ามีความเชื่อมั่นตรงนั้นแต่พวกเราเนี่ยไม่มีตรงนี้ไงเราไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในพระตถาคตไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในการที่พระพุทธเจ้าฝึกตนเองหรือสาวกของพระพุทธเจ้าฝึกตนเองแล้วก็ขาดความเชื่อมั่นตนเองว่า สามารถที่จะฝึกตนเองเนี่ยพัฒนาไปจนถึงความเป็นพุท ธ, ธายางใดอย่างหนึง่งได้แล้วขาดตรงนี้ในรายละเอียดตรงนี้ก็คือว่านี่นี่มองถึงในด้านของวิ ช, ชาและด้านของจารณะนะพรพุทธเจ้าก็มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยเิริคือความละอายต่อบาปโอตตปาคือความเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็สุตตะ สั่งสมมาอย่างบริบูรณ์แล้วก็มีวิรยิยะมีสติมีปัญญาถึงพร้อมด้วยปฐมญาณปฐมฌานตุติยฌานเป็นต้นอันนั้นพูดถึงในเรื่องของจารณาของพระพุทธเจ้าทีนี้ลองมาดูพระธรรมเนาะเวลาเราสวดมนต์เรบอกว่าพุทธังสารนังพัชฉามิข้าพเจ้านอบน้อมเนอือทึกในขณะที่เรากราบพระพุทธเจ้าเนี่ย อรหังสัมมาสัมพุโทโธพระกวาพุาพทธังพระกวรรณตังอะภิวาเทมีเนี่ยตอนนั้นเราคิดถึงใครคิดถึงใครเอาตอบหน่อยเวลาเรากราบพระพุทธเจ้าตอนนั้นคิดถึงอะไรคิดถึงตรงไหนของความเป็นพระพุทธเจ้าคิดถึงตรงไหน บางคนกราบพระพุทธโลกคิดว่าพระพุทธโูกงามดีแค่นี้ไหมเลิกคิดยังไงนี่นี้ตรวจสอบเรื่องสารณะหน่อยนะเอาคิดยังไงยอมตอบให้ฟังหน่อยทียากเอาไม้หน่อยอยากอยากถามอย่างไงช่วงนี้ช่วงสนทนาถามสอบถามนะเนี่ยเราเลยไล่ไปตามหลบๆไปที <laughs> <laughs> อยากรู้หน่อยอยากรู้หน่อยเนี่ย เออว่าเวลาเราสวดมนต์หรือเรากราบพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นเราคิดคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยคิดยังไงใช่มเออจริงๆต้องต้องกล้าที่จะแสดงออกมาความในใจนะเราจะได้รู้ว่าอูคิดยังไงแล้วคนอื่นก็จะได้ประโยชน์ด้วยจริงไม่จริงอ่ลองดูดิเวลาไหว้รวพระพุทธเจ้าครับ กราบนัสการครับผมนายอรุณนรงศินครับในบทสวดก็คือพระธรรมในขณะที่กราบครั้งที่หนึ่งก็ระลึกถึงพระธรรมด้วยความเคารพซึ่งอาจจะยังไม่ลึกซึ้งมากนักไม่หมายถึงพระพุทธเจ้าครับผมก็คิดยังไงนึกนึกต่อตัวพระองค์สมเด็จพระ ส, รสัมพุทธเจ้าถูกต้องไหมครับ นึกอย่างไรใช่ไหมครับเออนึกส่วนไหนของความเป็นพระเจ้านึกถึงท่านเป็นาศาสดาเอกของโลกนั่นคือสิ่งที่ต้องกราบไหว้เหนือสุดของบุคคลผู้นับสือสาศาสนาพุทธครับผมนึกถึงว่าพระเจ้าเป็นาศาสดาเอกของโลกแล้วคิดต่อจากนั้นอีกไหมหรือแค่นั้น ล้ำลึกว่าท่านคือองค์ศักดิ์สิทธิ์เหนือหัวเหนือก้าวซึ่งจะต้องบูชาทั้งทั้งขอญาติทั้งกลางวันทั้งกลางคืนที่ที่เป็นเป็นศาสนิกชนอาพุทธครับผมเออเอ า, เอาได้ได้มุมเลยเอา้าต่อไปที่เออเอ า, เอาถ้าถ้าเดี๋ยวพระธรรมละก่อนเดี๋ยวถามถึงพระธรรมก่อนเดี๋ยวต้องถามแต่ละคนด้วยนะขั้นที่สองใช่ไหม ครับผมถึงพระธรรมเนี่ยคิดยังไงพระพุทธและพระธรรมนะครับเออคิดยังไงความหมายของพระธรรมคือบทสวดที่พระองค์จะลึกบันทึกไว้บทสวดแต่และบทสวดก็มีความหมายต่อละบทสวดสิ่งที่เราเคารพต่อบทสวดแต่ละครั้งแล้วก็จะปฏิบัติตามบทสวดบทนั้นด้วยจิตสํานึกครับผม เออนี่เราฟังไว้นะเอาความเข้าใจแต่ละบุคคลเลยนะเปิดเผยออกมานะจะได้จับประเด็นได้นะเอา้า ป, ประการที่สามประการที่สามพระสงฆ์เออคิดถึงว่าพระสงฆ์ที่เวลากราบลงไปเนี่ยเป็นตัวแทนขององค์ุณเจพระสมมาสัมพุทธเจ้าคือตัวแทนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่นำบทพระธรรมมาเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชน อาทิเช่นชาวพุธได้กราบไหว้ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์พระสพเดชพระสมณะพระเจ้าท่านที่ให้ความรู้เป็นตัวแทนก็คารวะพระสงฆ์อย่างที่สุดหาไม่ได้ครับเออดีได้นี่จับประเด็นได้เลยเอา้อาวเดี๋ยวคนต่อไปเดี๋ยวถามหน่อยเดี๋ยวอ้าวช่วยช่วยหน่อยไม่ต้องดูหนังสือเน่าความเข้าใจที่ฟังมาเนี่ยอครับเ อ, อ นึกถึงนึกถึงเวลากราบพระนะครับสามครั้งครั้งที่หนึ่งก็เกี่ยวกับความดีนะครับครั้งที่สองก็แนวปฏิบัติธรรมก็คือในการปฏิบัติดีนะครับแล้วก็ครั้งที่สามก็ในเรื่องของศรัทธาศรัทธาในพระสงค์ที่เราเลื่อมใสครับ ความเข้าใจผมมีแค่นี้ครับอ้าวอาวงั้นอต่อไปทุกทุกคนเนี่ยลองอยากอยากจะดูฟังหน่อยเนี่ยจะได้จับประเด็นได้อา้าวค่ะขออนุญาตครับความเข้าใจ<ข><ข>เลยนะความเข้าใจที่ฟังมานะปรารถนาเนี่ยคณะครูอาจารย์จะได้นั่งฟังเวลาวันพวกนี้เวลาเขาแยกกลุ่มจะได้จับประเด็นกันแล้ได้ไปถกกันเรื่องพระารามทศนาไตรให้ชัดอา้าวค่ะอา่า กราบพระครั้งที่หนึ่งนะคะก็คือกราบพระพุทธเจ้าแสดงให้เราเราทราบว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เป็นอ่ะขอโทษค่ะเป็นพระอรหันต์ที่สามารถดับเพิงดับกิเลสทุกสิ้นเชิงอะคะ่ะแล้วก็กราบครั้งที่สองพระพุทธค่ะเป็นพระอ่ะขอโทษค่ะพระธรรมเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่เราเอ า, เอามาน้อมนำใช้ในชีวิตคะ่ะส่วนครั้ทงที่3กราบครั้งที่สามกราบพระสงฆ์ก็คือาศาสดาของอสาวกของพระพุทธเจ้าที่นำหลักธรรมมาเผยแผ่ ส, สั่งสอนพุทธศาสนิกชนให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าคะ่ะเมื่อกี้ดูหนังสือเลยตอบเองตอบต้องการความเข้าใจนะ ต้องการความเข้าใจนะมันหายไปหมดแล้วค่ะหายไปหมดแล้วนี่อันนี้นี่กราบอันนี้เอาเอาพื้นฐานสุดๆเัวนี้เนี่ยกราบพระพุทธเจ้าคิดยังไงกราบพระธรรมคิดยังไงครั้งที่สองกราบพระสงฆ์คิดยังไงครั้งที่สามอ้าไม่ต้องดูตำราเลยปิดตำราเอาความเข้าใจกราบประมาการนะคะกราบพระพุทธเจ้าหนูคิดยังไงก็คือ ไม่ไม่ต้องฟังคนอือ่นในอดีตค่ะในอดีตก่อนการเข้าอบรมอะค่ะนะคะกราบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามหนูก็ยังไม่ได้คิดตามลำดับแบบที่ท่านสอนนะคะการกราบพระทุกครั้งของหนูก็จะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นหลักนึกถึงในความเขาเรียกว่าอะไรคะความที่มี ความวิเศษะค่ะความเป็นศาสดาในบุญบา ร, รมีต่างๆของท่านแล้วก็นึกถึงหลักปฏิบัติหลักธรรมที่ท่านสอนที่เราสามารถเอามาใช้ได้ะคะ mm ่ะ hmm. หนูคิดเท่านี้นะค่ะแต่ก่อน mm hmm. แต่หลังจากเข้ารับการอบรมแล้วว่ากับครั้งที่หนึ่งต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าครั้งที่สองต้องเป็นพระธรรมครั้งที่สามเป็นพระสงฆ์ก็คือเป็นเรื่องของอนาคตที่หนูจะนาไปปฏิบัติะคะต่ะคิดยังไงคิดถึงพระเจ้าคิด คิดคิดศรัทธาค่ะมีความศรัทธาในองค์ท่านที่จะน้อมนําศาสนาเข้ามาสู่ตัวเองให้มากที่สุดนะคะโดยยึดท่านเป็นหลัพกพ่าคราบครั้งที่หนึ่งก็คิดถึงพระเจ้าคิดว่าศรัทธาในท่านแล้วครั้งที่สองอะ่ะก็ยังเหมือนเดิมค่ะคิดถึงพระเจ้าอีกค่ะ ท, ทั้งทั้งที่ทํามังสะระนังกระฉามีเนี่ยนะค่ะก็ยังพุ่งไปคือในอดีตไงคะหนูยังทําได้แค่นั้นเอาปัจจุบัน ปัจจุบันก็จะพยายามทำให้ได้อย่างที่ท่านสอนนะคะอ้าวแล้วอามาจะเข้าใจได้ไหมเอาปัจจุบันเลยใช่ไหมคะเออตอนนี้ตอนนี้กับครั้งที่หนึ่งถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะออก็คืออย่างที่หนูบอกค่ะด้วยความศรัทธาในบุญบา ร, รมีของท่านนะคะที่เป็นศาสดาที่ปฏิบัติตนมาสะสมบุญบา ร, รมีมาไม่รู้กี่ชาติเนี่ยนะคะ ตรงนี้ส่วนครั้งที่สองพระธรรมก็คือหลักธรรมต่างๆที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยค่ะสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตได้มันมีมากมายแต่เราไม่สามารถทำได้ทุกอย่างบางอย่างที่เราทําได้มีความสุขให้กับตัวเองให้กับคนอื่นให้กับสังคมอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะนำมาใช้ส่วนกลัาครั้งที่สามพระสงฆ์เดียคิด ก็พระสงฆ์ก็คือตัวแทนของพระพุทธเจ้านะคะถึงอย่างไรก็ต้องให้ความเคารพอเพราะเป็นสาวกสืบทอดศาสนามาให้ถึงปัจจุบันนะคะอราจะประเด็นได้อ้าว่าต่อไปกล่าวครั้งที่หนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้าว่ากล่าวครั้งที่หนึ่งนะคะอแล้วลึกถึงพระพุทธนี้แล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะท่านนั้นได้ตัดสั้ได้ด้วยพระองค์เองนะคะ แล้วลึกถึงความมหัศจรรย์แล้วก็นึกถึงบุญบารามีของพระองค์ท่านที่ทาให้เรามีศาสนาพุทธเกิดขึ้นมานะคะกลับครั้งที่สองก็คือพระธรรมก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะที่เราสามารถนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะเราอาจจะเลือก มาใช้ได้ไม่หมดนะคะเราก็จะมีความพยายามเรามีจิตใจน ะ, ะมีจิตที่ดีนะคะพราะกาบไปปุ๊บก็คิดถึงว่าทำใช่ไหมค่ะออคำสั่งสอนของรพระพุทธเจ้านะคะั้งที่สามแล้วเลกถึงพระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะคะได้นำหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้มาเผยแพร่ให้ประชาชนชาวไทยนะคะแล้วก็ต่างชาติ นะคะได้ระลึกถึงพระองค์ท่านบุญบารมีของพระองค์ท่านได้ค่ะจริงๆเราช่วงระยะเวลากราบเนี่ยเราจะใช้เวลาไม่นานเท่าไหรเน่ยใช่หอหังสัมมาสัมบุญโดปะกวาพู้ทังปะกวันตังอภพิวาเทมิรลกราบลกไปแล้วก็นึกแล้วเราคิดยังไงก่อนหนะ้านั้นขณะกราบแล้วกราบเสร็จ สว่าขาโต้แล้วก็าอย่าง น, นะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยต้องคิดยังไงเอาความเข้าใจของเรานมัสการค่ะ เ, เ อ, อตอนกราบครั้งแรกนะคะนึกถึง อ, อพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะ อ, อกราบครั้งที่สองก็คือพระธรรมพระธรรมก็คือเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้เป็นสิ่งที่ดีแล้ว และกราบครั้งที่สามคืออ่พระสงฆ์ก็คือเป็นสาวกของพ ร, พ, พระพุทธเจ้าค่ะนี่ค่ะเดี้ยวโดนเสือบอ่ะนี่แอบดูชอบดูโพอยู่เลยเลยเอาเอาความเข้าใจยังความเข้าใจที่เรากราบจริงๆไงกราบจริงๆเพราะว่าทุกคนก็ต้องกราบอยู่แล้วนั่นแหละเอาจิตสํานึกที่เราคิดกราบนั่นแหละค่ะกำำรรมน้ำมันสการหลวงพ่อค่ะ กราบครั้งที่หนึ่งก็คือในตัวความรู้สึกของตัวเองก็คือนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงพระคุณของพ่อแม่ค่ะแล้วก็ส่วนกราบครั้งที่สองก็คือทำก็คือจะนึกถึงคําที่สั่งสอนของพระพุทธเจ้าค่ะก็คือเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมส่วนกราบครั้งที่สามก็คือเป็นเหมือนอุบาสกอุบาสิกาที่ <c oughs> เราเปรียบเหมือน อ, อสาวกของพระสงฆ์อ ะ, ค, ะ <ไป S 1> ค่ะทราไปค่ะก็เอาตามความรู้สึกเลยนะคะก็คื อ, อก่อนอื่นต้องขอสารภาพก่อนเลยว่าช่วงที่กราบไปก็คือบรรจงกราบให้สวยอย่างเดียวอะค่ะ <c oughs> แต่ว่าในใจในใจยังไม่ทันคิดก็คืออยากแสดงให้เห็นว่าเคารพสักการะจริงๆก็บรรจงกราบอย่างเดียวแต่ยังยังไม่ทันนึกอะไรค่ะคิดถึงพระเจ้าไหมค่ะ ก็คิดค่ะคิดคิดถึงว่าพระพุทธก็คือพระพุทธรูปพระพุทธแต่ยังไม่ได้ลึกซึ้งลงไปว่าค่ะเอออย่างนี้บอกความจริงอย่างนี้ทุกทวดเนะอ๋อครั้งที่สองค่ะก็พระธรรมค่ะนนออกมาธรรมเลยนะเหมันโจงกราบเหมือนเดิมค่ะเคารพนับถือเหมือนเดิมค่ะพระสงฆ์ก็ก็ค่ะครั้งที่สามก็เหมือนกันใช่ไหมค่ะเหมือนครั้งที่หน่งกับครั้งที่สองค่ะข้อมูลเริ่มเปลี่ยนไหมอะไรนะคะตอนนี้กาบเริ่มเปลี่ยนไหมค่ะก็ ค่ะหลังจากวันนี้ไปก็คงต้องเปลี่ยนแล้ะค่ะเปลี่ยนว่าเปลี่ยนเป็นพระพุธก็คือนึกถึงนึกถึงสิ่งที่ท่านทำนะคะพระธรรมก็หลักธรรมคําสอนพระสงฆ์ก็คือผู้ที่นําหลักธรรมคาสอนต่างๆมาเผยแพร่ค่ะอ้าว เ, เอาต่อไปค่ะคับค่อยดีขึ้นแล้วกลับก<อ>รรมสการพระ อ, อาจารย์ครั บ, นบในสิ่งที่เกิดขั้งแรก พระพุทธเจ้าก็คือนึกถึงองค์ศาสดาของเรานะครับของศาสนาพุทธอันยิ่งใหญ่ก่อนผมนึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ก่อนครับของพระเดี๋ยวถามนิดนึงคำว่าศักดิ์สิทธิ์นี่ในความเข้าใจของเราแปลว่าอะไรคือคือเป็นเหมือนเป็นที่พึ่งทางใจอันสูงสุดนะครับอ๋อคําว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยครับผมในความรู้สึกของผมเป็นที่พึ่งคือคืออมาไม่เข้าใจคําว่าศักดิ์สิทธิ์ของเรากับไอศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคืออะไรไงไอนี้เลยถามหนูเนรับในในยามทุกเนี่ยถ้าเรานั่ง หน้าพระพุทธรูปนะครับจะมีความสุขและเหมือนเหมือนเป็นที่พึ่งทางใจในความรู้สึกของผมท่านเหมือนหรือเหมือนหรือเ ป, เป็นจริงเป็นจริงครับเป็นจริงท่านเป็นาศาสดาเอกของโลกมีพระปัญญาที่คุณพระบริสัตว์ทีคุณพระมหาคุณาที่คุณกับพระธรรมนี้ผมกลาบผมคิดรวมกันนะครับเพราะท่านเกิดพร้อมกันนะฮะ ในองค์พระธรรมที่ท่านได้ตัดสรู้นะครับที่ได้สั่งสอนส่วนพระสงฆ์นี่ผมระลึกถึงครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อที่ท่านมีความประพฤติดีงามในช่วงที่กราบนะครับที่เราเคารพแล้วก็ศรัทธาและก็นึกถึงพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับผมอ่าต่อไปต่อไปอกับนมัสการค่ะไม่บอยอากาศครั้งแรกครั้งแรกก็เหมือนกับคุณครูเจอ่ะค่ะ กราบอย่างบรรจงกราบอย่างเดียวกราบสวยงามกราบเพื่อให้ตัวเองนิ่งเพราะตัวเองไปค่อนข้างไปทางสมาธิสั้นก็คือกราบนี่ก็คือการกราบพระถ้าเรากราบสวยนี่แสดงว่าสมาธิเริ่มยาวนะคะกราบก็บรรจงกราบกราบพระพระพุทธเจ้าก็บรรจงกราบก็มองหน้าของท่านแล้วก็บอกว่าท่านสวยงามก็เรากราบผ้าสวยเราก็จะได้ มีที่พึ่งทางทางใจเหมือนสามีบอกวุคคลศักดิ์สิทธิ์นะคะเราก็จะได้มีรูปร่างสวยงามเหมือนพระพัฒนท่านเพราะท่านใจดีมองหน้าพระพุทธรูปทีไรก็มีความรู้สึกว่าท่านใจดีท่านมีเมตตาเราคิดไหมว่าพระเจ้ากําลังมองเราอยู่ตอนนี้น่าจะมองอยู่ฮะเราคิดอย่างนั้นเลยและกำลังจะให้พรว่าใช่ชาติหน้าแกสวยแน่เพราะว่าแกบัรจงกาบฉันสวยทุกวัน ท่องน่ยไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสุดกับเขาเหรอกค่ะท่องต้นมั่งปลายมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องกาบผ้านี่สวยจริงๆเพราะเป็นจงกราบตั้งใจ ก, าการาบจริงๆต้องการชาตนะต้องการชาติหน้าจะได้สวยๆใช่ไหมคะเอาชาติหน้าเอาสวยเลยค่ะพั้งที่ทั้งที่ตงชอบความสวยยัง พระธรมก็คำสั่งสอนนะคะเพราะว่าไม่ใช่บีความสวยก่อนเออทำไมต้งชอบความสวยสเอาความสวยก่อนเลยค่ะเพราะกล่าวครั้งที่สองก็บอกว่าเอาคําสั่งสอนมาเป็นอ่าเป็นที่ตั้งว่าเราจะประพฤติดีปฏิบัติดีเหมือนกับคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าให้เราเป็นคนดีความเป็นคนดีมันก็รวมหมดนี่ยค่ะว่าต่อไปเราก็จะไม่ทําชั่วเพราะความเป็นคนดีรวมหมดทุกอย่างคา่ะวพระสงคน์ จะว่าลาเอียงก็ลําเอียงเน่ยนะคะพองทีเลือกเลือกว่าจะกราบพระพระสงฆ์แบบใจไม่ใช่ตอนกราบหน้าพ่านกราบสามครั้งนี่ตอนนั้นคิดยังไงคิดกราบสวยอย่างเดียวอย่างที่บอกตอนแรกนะจ๊ะ<อ> <laughs> กราบสวยอย่างเดียวเลยค่ะสามครั้งกราบสวยๆ<อ>ตั้งจิตดีกราบ อ, อย่างเดียวเลยค่ะ<อ>แต่ต่อไปนี้ค่ะ<อ>คิดแล้วค่ะว่ากราบพระสงฆ์ก็ก็คือต้องต้องเคารพในใน เพราะท่านเป็นอะไรคะเป็นผู้ถ่ายทอดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่เราละเราจะตื่นแล้วต่อไปเนี้ยเราจะไม่กราบสวยอย่างเดียวค่ะเพราะว่าพระสงฆ์ก็คือตัวแทนละตอนเนี้ยค่ะทําให้เราตื่นขึ้นมาแล้ววันที่สองเนี้ยเริ่มตื่นแล้วค่ะอ้าวค่ะนมัสการค่ะตื่นไม่หลับแล้วอ้าวกราบนมัสการค่ะก็คือก่อนตอนกราบครั้งแรกนะคะก็คือใจมั่นตั้งใจะค่ะ พอกาบครั้งแรกนี่คือนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพอกาบครั้งที่สองพระธรรมนึกถึงคำหลักคําสอนที่จะนํามาปฏิบัติในในชีวิตประจําวันได้เป็นบางส่วนที่ทําได้กาบครั้งที่สามคือพระสงฆ์คือนึกถึงให้ความเคารพค่ะแค่เนี้ค่ ะ, ะ, ะกาบนมัสการกาบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ กราบครั้งแรกก็จะนึกถึงล้ำลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนทุกคนค่ะส่วนกราบครั้งที่สองก็นึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนที่ได้สั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนทุกคนเป็นคนดีกราบครั้งที่สามกราบพระสงฆ์ที่ได้นําคําสั่งสอนดีๆเหล่านี้มามาสอนให้กับพุทธศาสนิกชนให้รับรู้ทั่วกันนะคะอืมอา้าวต่อไป เราแค่กราบพระก่อนเนีาะตอนกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ hey, <one. S 2> ในการกราบพระเนี่ยค่ะอ่ะกราบครั้งที่หนึ่งก็จะระลึกถึงพระพุทธเจ้า hey, <one. S 2> ่ะส่งแล้วกราบครั้งที่สองก็จะลึกถึงคําสั่งสอนคือพระธรรมกราบพระสงฆ์ก็จะกราบระลึกถึงพระที่ปฏิบัติดีทุกรูปค่ะอืมอ่ะต่อไปมัสรการาพระคุณเจ้าค่ะ อ, อ กาบระคข้างที่หนึ่งนึกถึงองค์พระพุทธเจ้าค่ะที่เป็นศาสดาของพระศาสนากาบครั้งที่สองกาบพระธรรมที่เป็นคำสั่งสอนเราให้ทำดีกาบครั้งที่สามเคารพพระสงฆ์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะอือนี่แถวนี้ก่อนนี่เหน่งรกางหลังนี่เอาลดไปอายุทุกีเอะเนี่ยด้านนี้อยู่สองสองสองท่านสองคน อ่าค่ะกราบในมัสการนะคะก็คือในขณะที่กราบเนี่ยก็เหมือนพี่ๆคุณครูทุกคนนะคะเหมือนเหมือนทุกคนที่ผ่านมาะค่ะและลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่ยกเว้นอย่างเดียวก็คือหนูจะเป็นคนที่มีสมาธิสั้นแล้วก็ง่วงนอนค่ะก็รู้ตัวเองค่ะแล้วหลังจากที่ปฏิบัติธรรมมาขึ้นเรื่อยๆก็ คิดว่าตัวเองน่าจะมีสติแล้วก็จะควบคุมอารมณ์ตัวเองในการปฏิบัติธรรมในการกราบผ่าจะให้ดียิ่งขึ้นนะคะเออสมาธิสัน้นอ้าวต้องถามให้สัน้นสั้นยังไงคุณลองอ้าวกราบธรรสการนะฮะใช่แล้วก็กราบครั้งแรกั็นึกถึงอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็กราบครั้งที่สองคือคําสั่งสอนของ อ, องค์พรอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้เรา ยึดปฏิบัติตามแล้วก็ครั้งที่สามก็คือพระสงฆ์ที่ละซึ่งตัดตัดกิเลสได้อืครับครัอกราบนาสการหลวงพ่อครับกาบครั้งที่หนึ่งายไปเยอะแล้วครับครั้งที่หนึ่งึก <ละ S 1> <ะ>ถึงพระพุทธเจ้าครับผููเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมครับกาบครั้งที่สองนึกถึง พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอืมที่ได้ปฏิบัติมากับครั้งที่สามนึกถึงพระสงฆ์อืผู้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตอนที่ดีครับเออเอา่เอาข้างหลังต่อแต่ที่ใครเยี้มนี้ก่อนเน่ะเออนั่นแหละข้างหลังก่อนดิเอาเอาเฉพาะที่อยู่ที่นี่ อ, อ, ย, อยู่ในในรอบบุรีอ่ะเ อ, เอาเลยกราบนมัสการครับ ก็ในการกราบสามครั้งนะครับก็กราบครั้งแรกจิตก็ระลึกนึกถึงในขณะที่กําลังกราบอยู่จะผมผมจะกราบเป็นอัญเชลีวันทาแล้วก็อภิวาสพออภิวาสเสร็จก็ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราครับพระธรรมก็พระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราแล้วก็พระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของเราครับย้ำหน่อยครับคําว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราคิด คิดถึงอะไรของความเป็นพระพุทธเจ้าในการคิดถึงเนี่ยครับถ้าพูดถึงก็คิดถึงในส่วนของพระบริสุทธิ์ที่คุณครับพระปัญญาคุณครับแล้วก็พระมหากรุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าครับพระพุทธองค์ครับคิดถึงปัญญาคุณแล้วเข้าใจว่าปัญญาคุณหมายถึงอะไรเป็นพระพุทธองค์ครับเป็นผู้ตัดสรู้ครับ ด้วยมีพระพระมหาปัญญาที่คุณอันยิ่งใหญ่ครับตัดสู้ในทุกๆสิ่งในในในในทั้งหมดนะครับท่านเป็นผู้ที่สามารถสั่งสอนไม่ใช่ว่าพระปัญญาคุณเนี่ยที่พอเราเลิกถึงพระปัญญาคุณใช่ไหมครัในขณะนั้นเราคิดว่าพระปัญญาคุณของพทะเจ้านั้นอ่ะวิเศษยังไงดียังไงถึงคิดถึงพระปัญญาคุณของท่านอ๋อครับในส่วนของพระปัญญาคุณ ที่ระลึกนึกถึงก็คือท่านสามารถที่จะตัดสรุ้ชอบได้โดยพระ อ, องค์เองแล้วก็สั่งสอนพวกมนุษย์และก็เทวดาทั้งหลายครับได้ครับโดยโดยเป็นพระมหาเพรเป็นปัญญาอันยิ่งใหญ่ครับครับตึงพระเบิษัทีิโุนคิดยังไง เป็นผู้ที่บริสุทธิ์แล้วครับจากปราศจากกิเลส ท, ทั้งปวงครับไม่มีเครื่องเศร้าหมองใดๆครับเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ทั้งในที่แจ้งแล้วก็ที่รับครับคือบริสุทธิ์ทุกอย่างครับหมดจดสะอาดบริสุทธิ์ทางกายและทางใจทุกทุกทุกส่วนครับทั้งทางกายาและทางใจครับแล้วก็พัะมหากรุณาธิคุณครับก็คือพระองค์ไม่ทรงแต่จะตัดสั้น ตัสรูแล้วก็เก็บไว้เพียงแต่ผู้เดียวครับก็ยังสั่งสอนสั่งสอนโลกนี้ครับก็คือเทวดามนุษย์แล้วก็ทุกทุกทุกทุกทุกท่านนะครับอ้าวแล้วเวลากราบพระธรรมคิดยังไงพระจำป้าเจ้าเป็นที่พึ่งของเราครับพระธรรมก็เป็นพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ครับสามารถเราสามารถเมื่อเราศึกษาปฏิบัติแล้วครับนํามาใช้ใน การที่จะทําให้ชีวิตมีความสุขครับปราศจากความทุกข์ครับแล้วก็เห็นแล้วก็พ้นจากวัฏฏะสงสารทั้งหลายครับการทำคำสั่งสอนก็คิดถึงพระสงฆ์ครับพระสงฆ์คิดถึงไงพระสงฆ์ครับพระสงฆ์เป็นเป็นแบบอย่างครับเป็นต้นแบบครับที่เมื่อเมื่อเมื่อปฏิบัติตามแล้วครับเป็นผู้ที่พ้นทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ครับแล้วก็เป็นผู้ที่สั่งสอนเราทั้งหลายครับให้ ให้พ้นจากทุกข์ครับเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าจับประเด็นได้แล้วอ้าวยอมดิเงี้ยอ้าวพระพุทธเจ้าคิดยังไงกราบพระธรรมคิดยังไงกราบพระสงฆ์คิดยังไงนี่เอานักปฏิบัติธรรมเลยอ้าวยมเวลาโยอมกราบอะค่ะยอมจะน้อมกายที่จะนอบน้อมต่อพระพุธองค์อย่างแท้จริงนะเจ้าคะกายที่การที่กายยอมน้อมลงไปอ่ะใจโยอมน้อมตาม แล้วโยมรู้สึกว่าโยมถวายตัวกับพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เจ้าค่ะกรกลับครั้งแรกคิดยังไงกรกับครั้งแรกเนี่ยโยมเหมือนเอาศีรษะกลับไปแนบท้าพระพุทธองค์จะเป็นลูกของพระพุทธองค์นึกถึงตอนเมื่อเมื่อก่อนไม่ได้นึกมากนะเจ้าค่ะแต่รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะคะการพระธรรมเนี่ย โยมก็นึกถึงคําสั่งสอนแล้วโยมก็น้อมเข้ามาว่าชีวิตเราเนี่ยเราทําเป็นที่พึ่งที่แท้จริงนะคะเพราะว่า<ม>พระธรรมไม่ตายแล้วก็อยู่กับเราได้ตลอด<ม>ส่วนพระสงฆ์เนี่ยก็นึกถึงตอนแรกจะนึกถึงครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องของการปฏิบัตินะคะ<ม>แล้วก็นึกถึงพระสงฆ์ทุกรูป<ม>ที่ท่านเป็นสาวกที่เผยแร่พระพุทธศาสนา<ม>ให้พระพุทธองค์ะคะ่ะอ้าวยมลองดูที กราบกราบร ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะโ ย, ยมก็ได้มาฟังธรรมะจากพระอาจารย์ไปแล้วหนึ่งรอบนะเจ้าค่ะก็ได้ได้รับความรู้ในการกราบพระเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ ท, ที่ไม่ที่ไม่ได้ไม่ได้นึกถึงพระคุณของพระอาจารย์ได้ลึกซึงนะเจ้าค่ะซึ่งขึนขณะนี้ที่ได้รับความรู้ก็คือว่าคือกราบ ที่ทุกๆเช้าที่ตื่นมาตื่นมาก็จะขอบคุณนึกด้วยใจขอบคุณที่ได้มีชีวิตได้มากราบพระพุทธองค์อีกครั้งหนึ่งก็จะน้อมนึกถึงบุพการิยาของพระองค์บารมีสามสิบชัศน์ของพระองค์นะจ๊ะค้แล้วก็เกี่ยวกับที่เคยพระอาจารย์เคยบรรยายเรื่องมหาบุริลักษณะของพระพุทธเจ้าทําให้เหมือนกับใจตวัวเองก็นอบน้อมถึงถึง ลักษณะของพระพุทธองค์ดูแลมองดูกายตัวเองแล้วก็โอ้มันเปรียบกันไม่ได้ไ ม, ไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะรับแล้วก็ยานพยานของพระพุทธเจ้าอีกมากมายนะที่พระพุทธองค์ไ ด, ไ ด, ได้ได้รับมานะคะส่วนพระธรรมก็ก็นึกถึงคาสั่งสอนที่ที่พระองค์ได้ได้ตรัสรู้มาสั่งสอนมนุษย์ทั้งหลายและให้ความเมตตาแก่ ทุกสรรพสัตว์ทุกสิ่งพระสงฆ์พระสงฆ์ก็น้อมถึงที่ได้นำเอาธรรมะจากพระุทธองค์มาเผยแผ่ให้แก่ได้แกม่มนุษย์ทั้งหลายได้ปฏิบัติตามตามคำส่งสองพระุทธองค์เจ้าค่ะอา้อาอา้าวเจตียาอาตอบกันหมดแล้วอ๋อ กราบเร <laughs> ียนท่านอาจารย์นะครับคือผมขอนอนุ่งเพราะคนเด็กเขาตอบหมดแล้วนะครับคืออยากจะถามผมก็สงสัยเหมือนกันคำว่าอิมานิปัญจเิขาภานิสมาธิยามิท่านอาจารย์กรุณาช่วยตอบหน่อยไดครับแปลว่าอะไรครับผม ไม่ใชให้ตอบประเด็นแต่ตอนก็ถามแล้วพระพุทธกล่าวครั้งแรกก่อนนั่นไว้ไว้ที่หลังเอประเด็นจะได้เคลียเป็นประเด็นไป ค, คนหนึ่งก็ตอบหมดแล้วผมก็ไม่ทราบจะตอบอะไรอีกแล้วแต่ถ้างั้นเอาไว้ก่อดอีกไหมเอาไม่ได้ได้ครับคืออย่างนี้นะครับในการที่ท่านอาจารย์ถามมานี่ก็คือว่ารพระอรันาตนใจคือใจทัอยอย้งสามประการเนี่ยมีพระพุธพะทธพระธรรมประสงค์เป็นผู้ที่ว่าดารงอยู่ในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเรากราบพระพุทธเจ้าเพื่อ เรเล่นถึงพระคุณของพระพุทธเจา้าซึ่งเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองและมีพระปัญญาที่สูงเลิศส่วนพระธรรมนี้เป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอนพะธรรมเป็นพระธรรมซึ่งถ่ายทอดมาถึงปัจจุบันนี้ส่ว น, นพระสงฆ์เป็นผู้ที่เญาัระถือเป็นผู้ที่ถ่ายทอดพุทศาสนา ม, มาจากพระพุทธเจ้าครับอืออสาธุสาธุอ้าจะต่อไป เ, เดี๋ยวประเด็นนั้นเดี๋ยวค่อยตอบทีหลังเอาครับเาเอาไม<อ>าสการพระอาจารย์ค่ะก็กราบครั้งที่หนึ่งนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงพระปัญญาเราก็เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในพระองค์กราบครั้งที่สองนึกถึงพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ แล้วก็มั่นใจว่าจะพาออกจากวาตาสงสารได้แล้วก็กราบครั้งที่สามกราบอาพรก็คือกราบพระที่มีศีลแล้วก็มีความประพฤติที่งดงามเป็นให้เราได้เจริญกุศลหมดแล้วค่ะเอออ้าวเอ อ, เ อ, อถามทุกคนกรรมนมัส ก, การครับอืเออถามว่า <Effect. S 2> ถามว่ากราบครั้งที่หนึ่งเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างไรใช่ไหมครับก่อนแนานก่อนหน้านี้ผมเคยกราบแบบประเพณีครับกราบตามๆกันที่เห็นคนอื่นเขากาบผมก็กราบตามนั้นครับที่บรรพบุรุษเขาสั่งสอนมาครับแต่ปัจจุบันนี้ผมได้ข้อคิดใหม่ก็คือ ภาพพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นไอดอลครับเออไอดอลก็หมายถึงแบบอย่างแบบอย่างที่เราจะกทําตามนะครับสมัยเด็กเนี่ยผมเคยดูภา พ, พยนตร์เรื่องไอโมแดงใช่ไหมครับไอโมแดงเนี่ยก็จะจบด้วยการที่ว่าจะทําร้ายศัตรูจนตายไปพระพุทธเจ้าก็คือทําร้ายกิเลสจนตายไปผมก็จะยึดแนวทางนั้นครับ ครั้งที่สองพระธรรมก็นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุอะไรนะครับก็คือพระพุทธเจ้าได้ตัดสรูุ้ว่าตัณหาหรือกิเลสเนี่ยครับมาครอบงามเราทําให้เราเดินทางในชีวิตผิดพลาดการที่เราทําลายต้นเหตุก็คือทําลายกิเลสหรือทําลายตัณหาก็คือดับด้วยทุกข จนหมดสิ้นไปครับขั้นที่สามขั้อที่สามพระสงฆ์ก็คือผู้ที่นำเอาวิชาความรู้เหล่านั้นมาสั่งสอนเราครับอ้อาวอะไรอีกคนนึงอ้าวอาอาก็เมื่อกี้อยากจะกราบรรมสการ์ถามนิดนึงก่อนนเจ้าค่ะว่าในปฐมยามที่พคุณเจ้าแสดงว่าพระผู้มีพภาคเจ้าทรงพักผ่อน โดยการสำรานพระริยาบทโดยเดินจงกรมกับมัชฌิมยามทรงทรงสีหาสายญาติแล้วก็ปัจฉิมยามทรงลุกขึ้นมาเพื่อเข้ามาหากรุณาสมาบัติย่อมมีความรู้สึกว่าคลาดเคลื่อนนิดนึงหรือเปล่าเจ้าค่ะตัวนี้คลาดเคลื่อนว่า ก็คือในยามต้นตั้งแต่หกโมงถึงสี่ทุ่มนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่พระองค์ทรงแสดงธรรมกับหมู่ภิกษุสงฆ์ในมัชฉิมยามคือสี่ทุ่มถึงตีสอง 2, ซึ่งพระคุณยาวแสดงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่พระองค์ทรงแสดงธรรมให้กับ เ, เทวดาทั้งหลายส่วนปัจฉิมยามนั้นแบ่งออกเป็นสามช่วงคือช่วงต้นนั้นพระองค์ทรง เ, เดินจงกรมยามที่สองทรงสรหัสสายญาตยามที่สามในช่วงปัจฉิมยามนั้นก็คือแบ่งออกเป็นช่วงรับประมาณ80นาที ซึ่งยามที่สัตในช่วงที่สามของยามสามนั้นก็คือเข้ามาหากรุณาสมาบัตเพื่อตรวจดูสัตว์โลกกเกจค่ะโยมก็เลยมีความ<อ>สงสัยว่าใช่หรือเปล่า<อ>เจ้าคะหรือโยมมีความเข้าใจผิดตรงไหนเออเข้าใจนะวพว่อเอิญพอดีเอามาไปจับประเด็นตรงที่ว่าชาคิยานุโยคประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นแท้จริงตอนนั้นใจคิดอยู่ถึงการประกอบความเพียรของประสงค์นะตายใจตอนนั้นน่ะ ประเด็นที่ยอมพูดมาสักครู่เนี่ยถูกแล้วนะคือนั่นคือพระจริยาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นในยามต้นนั้นนหละพระพุทธเจ้าก็คือโปรดนั่นเองแสดงธรรมนั่นเองต้องแล้วในตามนั้นถูกต้องนั่นก็ขอแก้ตรงนั้นเอยเพื่อ น, นตอนพูดไปไปนึกถึงชาคริยานุโยการประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นของหมู่ภิกษุทั้งหลายที่กําลังทําความเพียร น, นะแล้วพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้มีระดมความเพียรมาจนมี จารณะเนี่ยจนผู้มีบริบูรณ์แล้วแต่เมื่อเป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ยังเป็นผู้มีความเพียรตรงนี้เป็นเครื่องตื่นอยู่แต่พระองค์นั้นทํากิจในการที่สอนหรือมีพระมหากรุณาธิคุณในการสอนสัตว์โลกนะแล้วก็พักสอนในยามมาชิมยามส่วนปัชชิมยามก็มาแบ่งเป็นสามระยะอย่างที่โยมพูดนั่นนะถูกต้องอ้าว่าไปกล่าวครั้งที่หนึ่งต้องด้วยช่นนี้เจ้าค่ะ ค่ะเจ้าค่ะคือเนื่องจากก็ได้ศึกษามาเล็กๆน้อยๆอยก็เอาแบบคร่าวสุดนะเจ้าคะ่ะแกบบราบครั้งที่หนึ่งก็คือนึกเอออันนี้ก็ต้องศึกษามาก่อนว่าเราจะกราบในสามส่วนก็คือบุพพิจริยาพระสริรคุณและก็พระคุณคุณบุพพิจริยาก็คือการบำเพ็ญบารมีสามสิบทัศมานั่นเองตั้งแต่ฐานะบารมีทานะอุปบารมี ทานนาปรมัตบารมีศีลแล้วก็เนคขมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาบารมีซึ่งตรงนี้ถ้าจะพูดนันเนี้ยคงไม่ใช่นะเจ้าค่ะเพราะว่ากราบหนึ่งครั้งนันเนี้ยคงเวลาสั้นมากก็ระลึกไว้ก่อนว่านี้เป็นบุพกชรยาของพระองค์ ส่วนบุพพจรยาที่ทรงดาเนินมาในสามสิบประสงค์ไขนั้นจึงเป็นที่มาของพระสลีละคุณที่พวกเราเนี่ยน้อมและลึกเห็นจากพระพุทธรูปที่ผู้ที่มีความอนุเคราะห์ต่อสัตว์เนี่ยได้พยายามปั้นรูปทั้งหลายหรือแสดงรูปทั้งหลายโดยการวาดบ้างอะไรบ้างเพื่อให้เห็น พระสลีล้าซึ่งประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะสามสองการและอนุพยัญชนะแปดสิบแล้วก็ส่วนที่สามคือพระยานทั้งปวงพระยานของพระองค์นั้นประกอบด้วยทศพลยานอาเวนิกธรรมสิบแปดพุทธยานสิบสี่เวสารัชยานสี่แล้วก็ ปติสัมมิทาสี่และพะยานสองล้านสี่แสนโกรสมาบัติที่พระองคง์ทรงใช้สอยเป็นประจำนี้เป็นต้นนี้คือพยานของพระผู้มีภาคย์ยาวเพราะฉะนั้นการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยก็คือในสามส่วนอย่างคราวนี้ส่วนพระธรรมก็คือระลึกถึงสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่ต้านทานอย่างแท้จริง ของสัตว์ทั้งปวงที่ได้ตรัสรู้ไปแล้วก็คือมรรคสี่ผลสี่แล้วก็นิพพานหนึ่งซึ่งบุคคลใดก็ตามเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนั้นเนี่ยท่านพ้นจากทุกทั้งปวงอย่างแท้จริงแต่ในดีการนั้นท่านแสดงเอาไว้ถึงปริยติสัตธรรมด้วยโยมก็น้อมระลึก ถ, ถึงมรรคสี่ 4, ผลสี่นิพพานหนึ่ง แล้วก็ปริยติสัตธรรมซึ่งผู้ศึกษาอย่างถูกต้องนั้นก็เป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านทานได้เจ้าค่ะส่วนหมู่พระเรียสงนั้นก็คือผู้ปฏิบัติตามพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากเครื่องข้องทั้งปวงก็เริ่มตั้งแต่พระเรียแปดสี่ผู้แปดจำพวกผู้เป็นนาบุญเป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านทานให้กับเราสัตว์ทั้งปวงด้วยเจ้าค่ะ อย้างค่ะนี้ก็คือข้อมูลเบื้องตน้นอย้าค่ะสาธุสาธุเนี่ยเออทีนี้เอามาจับประเด็นหน่อยนะเพราะเรากราบค้ากันถ้าเท่าที่ฟังมาก็ทำให้เริ่มเริ่มเห็นมุมในการที่เราทั้งหลายคิดกันเมื่อกี้ามาก็บันทึกเอาไปฟังด้วยที่พวกเราพูดทั้งหมดจะได้ไป อันนี้เอออ้าวมาเออยังไหอีกองหนึ่งอเนี้ยกราบแล้วคิดยังไงว่ามันเป็นความแตกต่างนะครับก็เลยต้องพูดนิดนึงเออผมกราบเนี่ยไม่ไม่ได้คิดอะไรคือกราบแบบเราเราคิดไม่ให้คิดเราคิดน้อม ตอนจําได้ว่าตอนกลับมาจากอินเดียเมื่อสี่หปีที่แล้วเนี่ยกลับมาแล้วมากราบวันหนึงช้าร้อยขนเย็นร้อยแปนอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะตอนนั้นเนี่ยไปได้แรงบันดาลใจมาจากรามาธิเบตที่ที่กราบเสร็จ แ, แล้วกลับมาเนี่ยเรากลับเราน้อมใจว่าเรากราบปฏิบัติบูชาเราไม่ได้คิดอะไรมากเลยแต่เราใช้บอกว่าเราจะกราบแบบใช้เจริญสติกําหนดตงปราณ ตอนนั้นผมก็มีหายใจเข้ายกมือขึ้นพนมที่หน้าอกหยุดลมหายใจยกมือจดที่หนา้าผาหายใจออกกราบอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะอยู่กับการกราบด้วยความนอบน้อมแล้วก็ด้วยด้วยความรู้สึกอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็บลมป่านและตอนนั้นก็ทำได้ทได้แบบปิติไปกับการกราบเนี่ยโห อ, อยู่นานเลยแล้วก็ทำอยู่นานก็เลยตอนนั้นก็คิดแค่ว่ากราบแบบปฏิบัติบูบชาด้วยการเจริญสติไปกับลมปราน แล้วก็มันก็เลยติดเป็นนิสัยก็คือไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องระลึกถึงคุณอะไรเลยมาตลอดเพียงแต่ว่าเราบอกว่าเรากราบบูชาโดยการที่อยู่กับการมีสติอยู่กับร่างกายมันก็ติดติดมานะครับอันนี้ขอแง่มุมหนึ่งนะี๋ยวรามาธิเวชเนี่ยเขากล่าวแล้วคิดยังไงไม่ทราบครับแต่แต่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยรามาธิเวชเนี่ย <c oughs> เขาต้องกราบหนึ่งแสนกราบไปได้ข้อมูลมาอันหนึ่งว่า <c oughs> เขาจะต้องกราบได้หนึ่งแสนกราบเป็นจริยธรรมพื้นฐานผมกลับมาบอก นั่นเราเนี่ยมีเป็นจางค้าบดิษเราก็จะต้องกราบให้ได้แสนกราบในชีวิตนี้อะไรเงี้ยแค่นั้นเองครับไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็มาทําความเพียรคือคือในกลุ่มของรามาธิบดเนี่ยเวลาเขากราบเนี่ยเขยกมือขึ้นเนี่ยนะครับยกมือขึ้นเงี้ยก่อนที่เขาจะราบเขาเรียกอัดทางค้าบดิษไหว้ครบองแปดก็คือราบลงไปกับพื้นเขาจะมีโชว์ขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าแล้วก็น้อมเนี่ยเป็นพระธรรมแล้วก็ เป็นประสงค์แล้วก็คิดถึงพ่อแม่เข้าไปด้วยเนี่ยแต่ว่าจริงๆเขาก็คิดแค่รูปแบบของเขาแหละตรงนั้นก็ได้สติตามที่เขาคิ ด, ต า, าคดตามที่ระบบละหลายๆคนก็เหมือนพวกเราที่กราบกันเนี่ยให้สังเกตเท่าที่ฟังมานี่นะบางคนก็เราก็บอกว่าเออกราบข้างที่หนึ่งนึกถึงพระเจ้ากราบข้างที่สองนึกถึงคําสั่งสอนพระเจ้ากราบข้างที่สามว่านึกถึงพระสงค์บางทีก็นึกถึงครูบาอาจารย์อะไรก็ว่ากันไปแต่ให้สังเกตดูนะว่าจริงๆในคําว่าพุทธะเนี่ย คืออะไรคาพุทธะเนี่ยวันแรกเนี่ยอธิบายคำพุทธะเยอะใช่ไหมในในพะรัตนาไตรเนี่ยถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลนะเราน้อมไปที่บุคคลหรือเราน้อมไปที่สภาวธรรมมีสองส่วนนะเวลาเราก่าเนี่ย เรากราบพระเจ้าเนี่ยกราบไปที่บุคคลหรือกราบไปที่สภาวะธรรมในใจของพวกเราอาระรหังสัมมาสัมพุทโทธภะวะพุทธังภะวันตังอภิวาเทมีเนี่ยกราบตอนนั้นใจเรานึกถึงไปที่บุคคลหรือนึกถึงสภาวะถ้านึกถึงไปที่พระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณตอนนั้นนึกถึงสภาวะธรรมใช่ไหม ไม่ใช่ตัวบุคคลนะเพราะว่าพระปัญญาคนเนี่ยท่านขับเน้นตัวปัญญาที่สั่งสมอบรมมาอย่างยาวไกลจนสามารถตัดกิเลสเป็นสมุเฉดจนตัดกิเลสคือแทงตลอดอริยสัจสคือแทงตลอดทุกขสัจจะด้วยการกําหนดรู้สมุทัยด้วยการละนิโรธ ด, ด้วยการทําให้แจ้งมากด้วยการอบรมบริบูรณ์ใช่ไหมเล่าถ้าคิดถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณก็แปลว่าในกระแสชีวิตของพระเจ้านะั้นไม่มีราคะโทสะโมหะมานะ กิเลสนอนเนื่องในขันธสันดานไม่มีแล้วถูกประหารเกลี้ยงหมดแล้วถ้านึกถึงพระมหากราุณาธิคุณหลังจากทรงประหารกิเลสได้อย่างหมดสิ้นแล้วพระองค์ก็มีพระมหากราุณาธิคุณต่อเราด้วยในการนําพระธรรมคำสอนมาสอนแต่จริงๆแล้วพระมหากราุณาธิคุณเนี่ยฝังแน่นในกระแสะความคิดของพระเจ้าตั้งแต่ปราถนาพระเนเจ้ามาตั้งแต่ยี่สิบสองขายยิ่งด้วยแสนมหากราบแล้ว ถามว่าเราคิดถึงตัวบุคคลหรือคิดถึงสภาวาธรรมคิดได้สองส่วนนะที่บอกแต่ที่แรกว่าพระพุทธเจ้านี่แหละจากมนุษย์ธรรมดานี่แหละแต่ตั้งอัทยาศัยในการที่จับําเพ็ญบารมีแล้วก็บาเพ็ญจริงๆด้วยจากความเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วก็พัฒนาตนเองบาเพ็ญบารมีจนเป็นพระพุทธเจ้าได้ เราเชื่อมั่นสักยภาพเชื่อมั่นพระธถะอย่างนี้ก็เรียกมีศรัทธาเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเห็นไหมว่าอิงแอบบุคคลนะแต่ตัวที่เข้าไปเชื่อจริงๆกับกลายเป็นอะไรสภาวะธรรมที่ทรงพัฒนาตนเองมาตามลําดับจนเป็นพระพุทธเจ้าไดา้อิงแอบบุคคลนั่นแหละแต่ในในในบุคคลนั้นคือมีปัญญาในการพัฒนา จนกลายเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่เชื่อมั่นตรงนี้ก็เลยมีพระมหาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณอยู่ในท่านผู้นั้นคือพระพุทธเจ้าเน้นถามเวลาเร า, เราไหว้เนี่ยเรานึกถึงอย่างนี้ไหมนึกถึงคุณสามประการย่อยๆอย่างนี้ไหมนึกไม่นึกก็ต้องนึกให้ประทับในใจอย่างนี้จริงๆ ทีนี้พอนึกถึงในลักษณะอย่างนี้ส่วนในรายละเอียดอันนั้นก็ว่ากันอีกทีนะแต่ว่าจะต้องจับประเด็นให้ชัดทั้ทงนั้นถ้าไม่ชัดเนี่ยเดี๋ยวจะฟุอนเฟือ น, นนะประการที่สองสว่าขาโตพระกวตาธรมโมเนี่ยทำ ม, มังอะไรนามาสามีแปลว่าอะไรข้าพเจ้านอบนอบ้อมพระธรรมพระธรรมเนี่ยจับประเด็นไว้สิประการใช่ไหมล่ะ มรคสี 4, ผลสีพระนิพพานหนึ่งเป็นเก้าใช่ไหมก็เออขอใช่ไม่ใช่มรคสี 4, ผลสีนิพพานหนึ่งแล้วก็พระพนิพพานอีกหนึ่งโสดาปฏิมรคโสดาปฏิผลพระธรรม พระธรรมนั้นหมายถึงตัวอริยมรรคและอริยผลนี่หมายถึงตัวสภาวธรรมและหมายถึงตัวพระนิพพ า, านเขาเรียกโลกุตละธรรมเก้าวเวลาเราสวดมนต์จำได้ไหมที่บอกว่าเออเวลาสวดมนต์คำว่าสวดมนต์เนี่ยซึ่งเป็นตัวโลกุตละและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตละนั้นหรือถ้าเราสวดตอนที่เราพูดเราสวดธรรมนองสรพัญญะ สว่าขาตัวกวาตาถมวาธรรมะอะไรเนะี่ยคือคุณนากรสวนชอบสะทรนดุดดวงปฏิบชัดชวานแห่งองค์พระศาสดาจารย์สองสัต ส, ดสนดานสว่างกระจ่างใจมธรรมใดนับโดยมากพนเป็นแปดพึงยน และก้าวอีกทั้งรานิพานเห็นไหมตรงนั้นแหละโลกุตระทำก้าวแล้วสวดกันมาเราไม่ได้สังเกตนี่อลองสวดดูทีทรมาคือคุณนากรส่วนชอบสาทรอนดูดดวงปราทีบชัดชวาน แห่งองค์พระศาสดาจานทรงจัดสันดานสว่างกระจ่างใจมรรมทดนับโดยมักโพลเป็นแปดพึงยนแลกก้าวกับทั้งนาลืพาน สมยาโลกอุดอนพิสดาลอาลึกโอฬารพิสุทธิเศษสุขใสอีกธรรมต้นทางคันายนามขนานคานไขปฏิบัติปริยัตเป็นสอง คือทางดำเนินดดจะคองให้ลวงลุบปองอย่างโลกอุดอนโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงนอบรมจำนง โดยจิตและกายวาจากราบเห็นไหมหสังเกตดูนะทำใดนับโดยมรคลเป็นแดพึงยนคือมรนะ์มีอยู่สี่มีโสดามร์โสด า, สดาปฏิมักสดสกาธาคามีมร์อนาคามีมร์อัตถมร์ผลก็มีสี่โสดาปฏิผลสากาธาคามีผลอนาคามีผลอัตผลและนิพานอีกหนึ่ง แล้วให้สังเกต ด, ดูที่บอกว่าเวลาจะเข้าไปถึงโลกอุดรหมายถึงถึงพันธิพานเนี่ยปริยัตและปฏิบัติเป็นสองปฏิบัติปริยัตเป็นสองเนี่ยก็แปลว่าปฏิบัติเนี่ยจะถูกหรือไม่ถูกดูตรงที่ปริยัตคือคําสอนในพระไตรปิฎกอ่ะงั้นปฏิบัติปริยัตเป็นสองเนี่ยคือเอาปฏิบัติขึ้นไว้จริงอยู่แต่การปฏิบัติจะถูกหรือไม่ถูกดูตรงที่ แผนที่พระวินายะบิดอกพระสุตตานจะบิดกพระพริธามบิดกเนี่ยดูตรงโน้นเข้าใจใช่ไหมร้่งนั่นแหละสะรุปแล้วคือมรรคสี่ผลสีนิพพานหนึ่งพระปฏิยติธรรมอีกหนึ่งนั่นแหละเขาเรียกว่าพระสัธรรมสิทประกาศอา้าวกราบพระกันอนาะตั้งใจ